สมุทโยนสมุทยวาระแล้วก็นิโรธวาระนี่นิโรโทนิโรธานิโรโทนิโรธาเนี่คือสายนิโรตนิโรตสายนิโรตก็คือสายดับสมุทโยโยสมุทโยนั่นคือสายเกิดนิโรโทนิโรโทนคือสายดับสายเกิดคือตัณหาเกิดสายดับคือตัณหามันดับเนี่ย อันนี้คือความเกิดความดับมันเกิดมันเกิดมันดับอย่างนั้นมันเกิดมันดับอย่างนั้นเรารู้ตามแบบแผนด้วยเราก็รู้เข้ามาข้างในใจของเราด้วยเออเราก็พอจะเราพอจะมีเงื่อนมีงําพอที่จะพลิกพอที่จะยกอ่าพอที่จะลุกพอที่จะคลาพอที่จะเดินพอที่จะก้าวขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับเข้าไปีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่าน ท่านท่านผ่านกรองตรงนี้ละเอียดอ่อกนกหมดแหละเนี่ยการกรองเนี่ยทำท่าท่าร้องทํำทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี네้ท่านกรองเนี่ยพราะมันหลักแท้เลยแหละตรงนี้มันหลักมันแท้เนี่ยที่ท่าเรียก ว, วิปัสนาภูมิเนี่ยดูที่หน้าสามสีเนี่ยวิปัสนาภูมิปาถะวิปัสนาภูมิวิปัสนาภูมิภูมิของวิปัสนา นี่คือภูมิของวิปัสนาแต่เวลาเราศึกษาเนี่ยเราดูเราดูเราดูอันนี้ด้วยแล้วเราก็ดูเข้าไปข้างในของเราด้วยขันห้าคืออะไรบ้างแล้วก็จ่อมาที่กายของเรารูปะขั้นโทนิจ่อมาที่กายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขั้นทั้งห้าเราศึกษาเข้าไปดูเข้ามาข้างในดูเข้ามาข้างในใจของเรา ดูข้ามาข้างในใจของเราไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราจําได้เฉพาะตัวหนังสือนะให้เข้าใจตัวเนื้อหาของของธรรมที่มันอยู่ในใจของเราด้วยดวา ย, นาาายตนาดัซายตนาณินี่อายตนาสินี่ดว่าดาซายตนาณิจักขวายตนางจักขุอายตนะคือจกักขุตาไปสัมผัสรูปรูปะรูปายตนานี่อยอายตนาตาต่อกับรูป โสตายะตะนังสัตวายสตะนังจมูกกับกลิ่นซสีวหายะตะนังราซายาตะนังเสวหากับลิ้นราษานี่กรสเราศึกษาและเนื้อหาเนื้อเนื้อหาอัฏฐะมันก็ขึ้นมาที่ใจของเราเราพยายามดูดูมาที่ข้างในใจของเราด้วย ไม่ใช่เราดูเฉพาะในตัวหนังสือนี่เท่านั้นกายายตนานังโพธาบายยตนานังกายกับการสัมผัสนี่โพธาบายยตนานังคือการสัมผัสมนายตตานังธรรมายตตานังมนายตนะเนี่ยคือเครื่องต่อคือใจมนามนะกเนี่ยเครื่องต่อคือใจต่อกับธรรมคาว่าธรรมในที่นี้มันคือธรรมารมธรรมมารมเนี่ยคำว่าธรรมในที่นี้มนายตนานังมนายตนานังธรรมายตตานังใจมันต่อกับธรรมมารม อารมณ์ที่ใจมันนึกคิดทั้งหมดน่ะอะไรก็ตามที่ใจมันนึกคิดทั้งหมดเขาเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์จะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสก็ตามที่เราหรับตาแล้วมันนึกมันคิดนั่นคืออารมณ์ทั้งหมดคือสิ่งที่ใจของเราไปพันสิ่งที่ใจเรามันไปเกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าอารมณ์อารมณ์อาริมมะณะคืออารมณ์สิ่งนี้มันเป็นเนื้อหาละเอียดก็ไปข้างในเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ศัพท์ศาสนาเราไม่รู้จะเรียกอะไร เราต้องเรียกศัพท์ศาสนานี่ศัพท์ศาสนาเนี่ยที่เราสอนเนี่ยนี่คือศัพท์ศาสนาทแท้ๆเนี่ยคือต้นต่อดั้งเดิมของมันเราดูให้ให้ให้ได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจเนี่ยท่า น, นพูดถึงธาตุธาตุเนี่ยท่านพูดตากระทบรูปเกิดความรู้รสึกขึ้นเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุตาก็ธาตุรูปก็ธาตุจักคูวิญญาณธาตุ จกักขุวิญญาณธาตุจกักขุมวิญญาณธาตุคือมันมาสรุปแล้วว่าความรู้เกิดจากตานี่ก็เป็นธาตุถ้าสรุปไปแล้วก็ยางละ6กอายุรนาภายในก็คือตาเป็นต้น6กอยุรณภายนอกคือรูปเป็นต้น6ทีนี้เวลามันไปสัมผัสกันนะตาไปสัมผัสรูปเกิดจากควยุติธรรมเกิดจากขนะุวิญญาณสต ว, วิญญาณขานะวิญญาณสีหิญญาณขายะวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ย ไอ้ธาตุจักขวาขวิญญาณธาตุโสตธาตุสัตตธาตุโส ต, ททโตวิญญาณธาตุที่เรียกว่าธาตุแล ะ, แ, ละแต่ท่านจะเรียกอายตนะภายในก็กใช่อายตนะภายนอกก็ใช่ทั้งอายตนะทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งวิญญาณที่เรียกว่าธาตุธาตุธาตุเราปแปลอีกทีหนึ่งทาให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าธาตุ แปลว่าสิ่งที่เป็นของเดิมสิ่งที่เป็นมูลเดิมสิ่งที่เป็นตัวหลักสิ่งที่เป็นตัวประธานเรามาดูที่ตาของเราเป็นหลักเป็นประธานไหมรูปเป็นหลักเป็นประธานไหมเวลาตาเราไปสัมผัสรูปปั๊บรู้ว่าเป็นรูปสีดําสีแดงเนี่ยเรียกว่าจักขุวิญญาณนี่คือสภาพดั้งเดิมของมันธาตุคือสิ่งที่เป็นมูลเดิมสิ่งที่เป็นของเดิมสิ่งที่เป็นของเดิมมันมาสัมผัสสัมผันธ์นี่คือธรรม เราศึกษาอย่างนี้เราศึกษาเรื่องธรรมะโดยตรงเลยแล้วก็พยายามดูมาที่เนื้อหาของมันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยนี่คือธาตุธาตุสิธาตุสิเราก็ไล่ไปซีอายตนะภายใน6อยนายตนะภายนอกหแล้วก็วิญญาณ6รวมไปแล้วเท่าไหร่ห2สองสิกสามันก็พันกันยี่ยมหนึ่งแต่วิญญาณจะเกิดขึ้นโดดโดดไม่ได้วิญญาณจะเกิดขึ้นระหว่างอยายตนะภายในไปสัมผัสอยายตนะภายนอกอ อายตนะอะไรก็ตามที่ไปสัมผัสกันมันเกิดวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุท่านเรียกวิญญาณวิญญาณธาตุโสตะวิญญาณธาตุกายะวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุแต่ถ้าเราเรียกแค่วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุเฉยๆเนี่ยหมายถึงใจคือผู้รู้อย่างเดียวหมายถึงใจคือผู้รู้อย่างเดียว มโนวิญญาณธาตุความรู้ที่เกิดขึ้นจากใจมันนึกคิดอารมณ์เนี่ยสิ่ง น, นั้นนี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของเรามันเกิดขึ้นมาดั้งเดิมมีใครมาเจาะให้เราไม่มีใครเจาะให้เราดอกเพราะแม่เจาะให้เราเปล่าแม่ก็มีแต่ป้อนเลือดป้อนเนื้ออยู่ในท้องเรานั่นะท่านไปเจาะหูเจาะตาเจาะอะไรให้เราเปล่าท่านไม่ได้เจาะท่านป้อนมุนป้อนนี้ให้เราเปล่า กรรมของเรามันรักษาตัวของมันเองที่อยู่ในท้องแม่นกรรมของเราเนี่ยนี่ยมโนวิญ ญ, ญาณธาตุสิ่งที่เป็นมูลเดิมสําเร็จรูปออกมาเป็นภาวะการโนบัติการเกิดขึ้นของมนุษย์มนุษย์เกิดขึ้นด้วยอย่างนี้ด้วยวิธีนี้เกิดจากธาตุเกิดจากมโนวิญญาณธาตุนี่สิ่งเหล่านี้ ท่นเรามาไล่เรามาไล่เพระแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของวิปัสนาที่เรามาพิจารณาอะไรให้เกิดปัญญาทั้งนั้นคําว่าวิปัสนาวิปัสนาตามตัวหนังสือแป ล, ว, ว, ว, ป ว, ปปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งวิวิแ ป, ป, ป, ป, ป, ปลว่าแจ้งปัสสะแปลว่าเห็นวิปัสนาวิปัสนาวิแปลว่าแจ้งปัสนาแปลว่าเห็นเห็นแจ้ง เห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นแจ้งแปลตามตัวหนังส huh? ือแปลว่าเห็นแจ้งวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งตาเห็นรูปเห็นศักดิแปลว่าเห็นนะเห็นศักแต่ว่าเห็นปัญญาจะเกิดก็ตรงนี้ความฉลาดจะเกิดก็ตรงนี้ความโง่จะเกิดก็ตรงนี้ธรรมจะเกิดก็ตรงนี้ กิเลสจะเกิดก็ตรงนี้ตรงตาเห็นรูปนี่แหละนะเนี่ยเนี่ยเราดูที่เกิดก็มันที่เกิดขก็มันมันเกิดตรงนี้มันก็ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ดับตรงนี้เกิดที่ตามันก็ตั้งอยู่ที่ตามันก็ดับที่ตาเกิดที่รูปมันก็ตั้งอยู่ที่รูปมันก็ดับที่รูปโดยหลักธรรมชาติธาตุแท้ดั้งเดิมเพราะมันธาตุปัญหามันไม่สวมรอยมันเกิดตรงนั้นมันดับตรงนั้นจริงๆ แต่ถ้าตันหามันมากาะปั๊บมันสวมสวมรอยปั๊บโอ้ยมันเอาไปใช้จะฟุ้งเฟื้อยยาวเฟื่อยทำเรื่องตามเรามันนั่งปรุงทั้งวีทั้งวันทั้งคืนนี่ตันหามาันสวมรอยมาตรงนี้แตถ่ถ้าเป็นแต่หลักศักเท์ว่าเป็นหลักธรรมชาติดั้งเดิมมันเห็นสักเท์ว่าเห็นเห็นจกักขุทาตุรูปะทาตุจักขุวิญญาณนทาตุคือธาตุแท้ดั้งเดิมที่มันเกิดมาเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือ ก็พยายามศึกษาแล้วก็ดูมาถึงถึงว่ามันเป็นเครื่องมือสิ่งเหล่านีเน้เป็นเครื่องมือทำจะเกิดก็เกิดตรงนี้กิเลสจะเกิดก็เกิดตรงนี้ตัวแปรสิ่ง ท, งที่สิ่งที่พาพาแปรสิ่งที่เป็นตัวแปรคืออะไรคือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีมันมีมากับจิตมันเป็นคุณสมบัติของจิตอย่าลืมว่าจิตของเรานะ่ะ มันมีทั้งคุณติดมาด้วยมันมีทั้งโทษติดมาด้วยคุณของผู้รู้โทษของผู้รู้คุณของผู้รู้ก็คือฝ่ายธรรมะทั้งหมดนี่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษตามมากับผู้รู้คือกิเลกกิเลกก็คือนับตั้งแต่นู่นอวิชชามารวมแล้วคือความอยากทั้งหลายทั้งปวงแล้วแต่ทานะเรียกทันะเรียกอวิชชาอวิชชาก็คือมันไม่รู้มันรู้ไม่จริงมันรู้จอมปลอม อวิชาแต่มันก็คือตัวความอยากตัวอำนาจของความอยากนั่นแหละดับความอยากได้อวิชาก็ดับเห็นไหมเราดับความอยากมาตั้งแต่อวิชามอวิชายตเววะอวิชายตเววะอวิชายตเววะอวิชายตเววะนี่ อาเซซาเวรากานิโรธาแห่คือดับดับไม่เหลือเนี่ยอวิชชาดับดับไม่เหลืออวิชชายตเวะวะดับอวิชชายตเววะอวิชชายตเวะวะอาเซสาเวราคานิโรธาสร้างฆารานิโรโถอวิชชาดับสังขารก็ดับหมายความว่าตัณหามันดับในเมื่อตัวอวิชชามัน เปลี่ยนเป็นตัววิชาไปแล้วนี่เอวิชามันก็หมดไปมันก็เลยวิชามันเปลี่ยนจากโง่มาเป็นฉลาดแทนมันเปลี่ยนจากมืดมาเป็นสว่างแทนนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะไปก่อตัวเป็นกองสังขารสังขารในที่นี้หมายถึงสิ่งปรุงสิ่งแต่งประกอบยืดไปจนเป็นเหตุให้เราไปประกอบทุกประกอบโทษหนึ่งไว้ใจของเราที่ท่าเรียกว่าที่ท่าเรียกว่าสังขารสังขารน่ยสังขารก็ดับสังขารดับ เามาสังขารดับในทีนี้หมายความว่าตัณหามันดับตัณหาดับเพราะอะไรตัณหาดับเพราะสติของเรากล้าสมาธิของเรากล้าปัญญาของเรากล้าจ่ออยู่ในหน้างานตัณหามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ความอยากภายในใจมันแทรกเข้ามาไม่ได้มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เราทดสอบดูในใจของเราได้เลยอย่างนี้ทีนี้เวลาตะลุมบอลกันจริงๆข้างในทั้งให้ดูตรงนี้เลยตรงนี้เป็นสนามงานเป็นเป็นหน้างานนี่อวิชชามันดับตรงนี้ เราตั้งสติโร่ขึ้นมามีสติสติกำกับจดจ่อร่ขึ้นมาเนี่ยใจของเราตื่นร่อยู่อย่างงี้น่ะอารมณ์พยายามดึงอารมณ์ให้มันเด่นชัดที่สุดมันโร่ได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ไม่ใช่สองสามอารมณ์ไม่ใช่ด้วยเหตุนี้การบรรลุธรรมจึงเกิดขึ้นได้การบรรลุธรรมจึงมีขึ้นได้นี่ดูวิธีการมันไม่ใช่ว่าเกลียบกระโรวได้เท่ากัน ทาให้มันโโรได้เท่ากันสว่างโโ่เท่ากันร้อยแรงเทียมเท่ากันไม่ใช่หมายถึงในธารู้ในผู้รู้ในจิตของเราในผู้รู้ของเราเนี่ยมาสามารถปลุกตัวเองให้ตื่นรู้โโรที่ชัดเจนที่สุดได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์นี่ตัวนี้ที่ปุทธิยักษ์ท่านให้เราปลุกปลุกตัวนี้ให้ตื่นโโร่ขึ้นมานให้ตื่นโโร่ขึ้นมาพราะปลุกไอ้ น, นี่ให้ตื่นโโร่ขึ้นมาคื อ, คอทำมันตื่นโโร่มันสว่างอยู่แล้วเนี่ย ปกติอสอรพิษกิเลสตัณหาอสาสวะทั้งหลายถ้าเราจะเปรียวกับเปรียวกับเหมือนอสอรพิษเนี่ยอสรสรพิษมันจะไม่วิ่งเข้าใส่เลยที่สว่างสว่างมันจะไปหาหลบอยู่ที่ที่มืดมืดไปซุกไปซ่อนอยู่ตามที่ที่มืดน่ยนะพอความรู้พอสติพอสัมผชัญญะแล้วก็ปัญญาของเราเริ่มจางจาย่างจา ง, จา ง, จางเริ่มรีบรีบรีบรีมันก็แทรกปักใคร่คาว่ามันเริ่มมีเงาตะคุ่มตะคุ่มตะุ่มมันก็มันก็เข้าไปสวมรอยปับแฮ่เอาไปใช้แล้ว เราเ ร, าเราพยายามดูตรงนี้ละเอียดมันสนุกนะพยายามดูดูให้ละเอียดดูให้เป็นภาคปฏิบัติไปเลยทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอน ấy. เราสามารถดูได้เราสามารถทําได้นี่ภาคปฏิบัติตนี่วิธีการเข้าตลุมบอลกันจริงๆแต่เราทําไปแบบสม่ําเสมอสมรรถะเราก็ทําไปวิปัสนาเราก็เจริญไปคําว่าวิปัสนาคือพิจารณาทางด้านปัญญาคําว่าสนาม คำว่าสมถะคือสงบลงอยู่กับที่สงบมากสงบน้อยตามแต่จรินิสัยมากน้อยแล้วแต่เราจะสะสมได้มามากน้อยเท่าไหร่มันจะเป็นชั้นชั้นไหนก็แล้วแต่เธอคอยได้รับความสงบชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นไหนก็ตามแต่เธอะอย่าไปคอยได้ชั้น4ี่ซะก่อนคอยพิจารณาชั้นชั้นสี่ซะก่อนคอยพิจารณาชั้นหนึ่งยังไม่รู้เรื่องเลยคอยไปเอาชา้นชั้นสีสงบชั้นไหนสงบระดับไหน กุบาจารย์ถ้าใครพิจารณาไปสลับเปลี่ยนกันคนละวาระจะต้องการให้สงบว่าให้สงบจริงๆหมายว่าความเด็ดขาดจริงๆของใจของเราจะสงบว่าให้สงบให้จริงๆเวลาจะพิจารณาค่พิจารณาจริงๆจะหองสงบเวลาสงบสงบจริงๆยาหองปัญญาต้องการมาสงบและยังหองปัญญาปัญญาตัวนั้นก็เป็นสมุทัยนะ เวลาจะสงบก็สงบจริงๆไม่ต้องห่วงปัญญาเวลาต้องการจะพิจรารณาก็พิจารณาจริงๆไม่ต้องห่วงสงบถ้ายังห่วงสงบอยู่สงบตัวนี้เป็นสมุทยัมท ย, ม, ยมันเป็นสมุทยัยสมาธินั่นแหละมันเป็นสมุทัยเอ๊ะสมาธิเป็นสมุทัยได้ไงนี่ในแง่ของปฏิบัติในแนวของปฏิบัติครูใบอาจารย์ท่านเอามาพูดลุงตาเถียงกับลุงปูมันนี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสมาธิของท่านนั่นแหละสมุทยัยสมุทยัย หลวงตาติดสมาธิสมุทัยนั่นะสมาธิแล้วเราตีนั่นแหละสมาธิแล้วเราเป็นสมุทัยสัมมาสมาธิหลวงตาสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิเดินตรงไหนหลวงตาดันเสียงสัมมาสมาธิคือสมาสัมมาสมาธิคือสมาธิออกพิจารณาไม่ให้ติดอยู่กับสมาธิแหนลูกครูบาอาจารย์ได้ฉลาดไหมติดสมาธิต้องตีให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญา พิจารณาทางด้านปัญญาพลนไปกลายเป็นปัญญาเป็นสมุทไทยยท่านให้สงบท่านให้สงบอาจารย์ชินท่านเล่ังนี่หลวงปู่เจี๊ยะตีท่านท่านพิจารณาอนาปาท่านติดอานาปาเนี่ยตพิจารณาอนาปาคือพิจารณาลมแบบท่านปรีด์กระจายลมละเอียดย่อยขนาดไหนกระจายลมละเอียดอยู่นั่นหลวงปู่เจี๊ยะท่านบอกว่าให้พูดโทให้พูดโทพูโทชินภาวนาอะไร อนาปาครับอืพุทโธพุทโธพุทโธหลวงปู่เจี๊ยตนรู้ว่าจันชินะติดติดอนาปานะ่ท่านต้องการให้หยุดต้องการให้หยุดให้รู้จักสลับสลับขากันสลับไปสลับมาเนี่ยเหมือนน้องตาเลยนะแนวแนวสอนที่สั้นสอนเนี่ยนี่นี่ห ม, มายความว่ามันชาติจิตตัวนั้นแหละให้ต้องการให้สงบต้องการให้สงบสงบมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็พิจารณา พิจารณาพอประมาณแล้วก็สงบดีวิธีการที่ท่านให้เราทำเพราะฉะนั้นความสงบมันจะพยุงปัญญาปัญญามันจะประยุงความสงบสงบขั้นไหนสงบระดับไหนพวกเราก็ไปทำกันได้แล้วแหละทำขั้นไหนได้ขั้นไหนระดับไหนเราไปพิจารณาุปุปะปะลุกลุกล้มุกลุกลลานตามภาษาของเรานี่แหละทาไปอันนี้เป็นทางดาเนินเป็นแนวปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติ ยังไงขอให้อยู่ในหลักปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่าสอนเรากพยายามทาไปมันสเปสะสปะเหมือนเด็กหัดเดินนั่นแหละล้มลุกคลุกคลานไปสักนหนึ่งแล้าก็ตั้งเนื้อทั้งตัวได้เราก็ลุกได้แล้วก็ยืนได้ยืนได้เราเดินได้เดินได้เราสามารถวิ่งได้มาจากกลิ้งเลยนั่นแหละล้มลุกอ่ properly. ล้มแล้วกลิ้งกลิ้งแล้วก็ลุกที่เรา ล, ล้มลุกคลุกคลานทั้งคลานทั้งกลิง้งทั้งลุกทั้งล้มทั้งลุก อ, อยู่นั่นแหละ แล้วดูมาที่ตัวเราจริยนิสัยของเราเป็นยังไงเราก็พยายามตั้งงอกตั้งใจทําอย่างนั้นอเมือย่งที่เราพยายามพยายามให้ให้ให้รู้จักท่องอันนี้ให้รู้จักเข้าใจอันนี้เนี่ยแล้วก็สวดก็พยายามให้สวดให้ถูก <Higher. S 2> นี่เพราะอันนี้มันเป็นหลักอันนี้มันเป็นหลักเนี่ยเนี่ยวิปัสนาวิปัสนาวิปัสนาภูมิภูมิของปัญญาภูมิของผู้เอาไปพิจารณาวิปัสนาถ้าหาก เราใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยเสียงเราในขณะที่เรานั่งภาวนาเสียงก็เก็กเก็กกเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเพราะอะไรเสียงมันก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญารูปก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาแต่ถ้าเราเจริญสมาธิเสียงเป็นอุปสรรครูปเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นทานาน่านให้ให้นั่งหลับตาเราต้องการให้จิตสงบให้นั่งหลับตา รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งเหล่านี้ถ้าจิตของเรามีความสงบอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เราพิจารณาเกิดปัญญาแต่ถ้าเราต้องการให้สงบในขณะที่เราต้องการให้สงบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัข้างนอกเป็นอุปสรรคกับความสงบแต่ถ้าเราต้องการพิจารณาเกิดปัญญาสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุให้เกิดปัญญาสิ่งเหล่านั้นแหละคือวิปัสนาภูมิสิ e ่งเหล่าน nice. nice ั้นทั้งหมด เป็นวิปัสสนาเนี่ยดูเรามาไลา่เนี่ยเ น, นทั้งหมดเลยนะที่มีอยู่ในในในตัวเราเนี่ยจับอะไรขึ้นมาเป็นทั้งหมดเลยเอาอะไรมาพิจารณาเอาอะไรมาพิจารณาจับไปที่ตัวพวกนี้เป็นวิปัสสนาทั้งหมดเป็นวะิปัสสนาทั้งหมดนะยิ่งเราไปดูในหลักมหัศติยิ่งลเอียดเข้าไปอีกนะละเอียดเข้าไปนะอีกละเอียดทุกขณะจิตเลยขณะจิตเป็นยังไงขณะจิตนะ ที่ตัณหามันจะค่อยสวมรอยมาขณะคิดเป็นยังไงนึกคิดเฉยๆคิดถึงเฉยๆเนี่ยส <unhappy. S 1> ันเจตนาสันเจตนานึกคิดเฉยๆน่ยนึกนึกคิดเฉยๆเนี่ยนึกคิดถึงรูปนึกคิดถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงสัมผัสเนี่ยนึกคิดเฉยๆเนี่ยตัณหาก็โผล่ขึ้นมาได้นึกคิดเฉยๆตัณหามันก็โผล่ขึ้นมาได้ สัญเจตน า, า, ารูปรูปสัญเจตนารูปรูปสัญเจตนาอยังโลเกยังโลเกย์ปิยรูปังซาตารูปังรูปเป็นที่รักเป็นที่ยินดีรูปเป็นที่รักเป็นที่ยิน ด, ปปนนนดีแค่นึกถึงรูปคำถามกระแทกขึ้นมาได้ เพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้ทนามันโฉบ่อยกันมาได้ให้ทนามันแทรกเข้ามาได้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณานั่นมันเป็นที่ดูมันเป็นทางผ่านมันเป็นที่ผ่านมันเป็นช่องผ่านช่องผ่านของกิเลสตันหาแต่ที่จริงเราก็มีใจดวงเดียวนั่นแหละแต่อุบายวิธีกิริยาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เขเรียกว่าอาการของมันดึกกิริยาอาการของมัน แต่ถ้าเราเรียกตามอภิธรรมอภิธรรมเขาเรียกเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงอ่าก็จะทําให้เรางงสับสนเข้าไปยินแหละดวงดวงดวงเราสิ่งเหล่านั้นเป็นอาการทั้งหมดหนึ่งอาการของธรรมสองอาการของกิเลสอาการของธรร ม, า อ, าามาอาการของธรรมหมายความว่าตันธรรมไม่เกิดแตะปันอาการของกิเลสตันหาเกิดมันอาศัยรูปเกิด รูปเสียงกินรถโพทธภัธรรมรมเนื้อคิดนื้อคิดเฉยเยเนี่ยสัญเจตนาสัญญานี่สัญญ า, ส, ญญาสัญญาคือมันหมายรับทานี่แหละนั่งหมายรูปหมายเสียงหมายกลิ่นหมายรสหมายสัมผัสมันก็สามารถแทรกเข้ามาได้ตันหามันพร้อมจะแทรก เ, เข้ามาได้เป็นรูปเป็นช่องตันหาแทรกเข้ามาได้สัญเจตนาคิดถึงเฉยเฉเนี่ยตันหาอยากอยากในรูป มันซ้ำเข้าไปที่ตัวตันหาอีกแท้ที่จริงกับตัวมันทั้งหมดอ่ะมันคอนที่จะสวมรอยเข้ามาแล้วตัวมันเองก็เป็นแผลโผรขึ้นมาเลยเป็นเหตุให้เกิดตันหาขึ้นมาเลยตันหาเกิดเกิดรูปจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสเสร็จแล้วก็วิตกวิตกตรึกตรึกนึกเฉยเฉยตรึกเราวดูที่ตรึกกับนึกกับคิดดูที่มันใกล้กันนะกิริยาพลิกแผลงกันนิดเดียวเท่านั้น คือเทิ้งสติปั๊บเราเผลอสติปั๊บสูมรอยปั๊บทิ้งสติปั๊บเผลอปั๊บสูมรอยปั๊บสูมรอยปั๊บเพราะฉะนั้นรูมันพุงไปเลย60ช่อง60สิรูเราไปดูดิเราไปดูที่ส่านไล่ไว้ไล่ไว้ในปีรูปสาตรูปไปไล่ดูวัตถุเป็นที่รักเป็นที่ยินดีเป็นที่รักใคร่เป็นที่ยินดีในโลกในปิีรูปสาตารูปเนี่ยก็คืออะไรก็คืออายตนะพายนอกหกอายตนะภายใน6อายตนะพายนอก6 อิจตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอิจตนะภายนอกคือรูปเสียงคิดรูปธรรมะธรรมารมณ์สิ่งนั้นนี้มีอยู่ในตัวเราเราไม่ดูไม่ได้ไม่ดูไม่รู้ต้องดูต้องรู้เราศึกษาในเรื่องใจอย่างเดียวเราไม่รู้อุปกรณ์ชิ้นส่วนเหล่านี้เราไม่รู้เอาอะไรมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเดินไม่รู้จะเดินไปตรงไหนงานของเราไม่มีไม่รู้จักเครื่องมือศึกษาเอาไว้การได้ยินได้ฟังนี่แหละเป็นการศึกษาอิจตนะภายใน6อิจตนะภายนอก6วิญญาณหกพัทธสหห เวทนาหกเวทนาหสัญญา6กสัญเจตนา6ตัณหา6วิตรหวิจารหเป็นสิบเป็นสิบหมวดหมวดหกหกสเป็นหกสิบหกสช่อง60สิบรูนี้คือช่องคือรูคือทางผ่านของตัณหาตัณหาม่ได้เกิดมันเกิดตรงนี้ตั้งอยู่ม <EERING. S 1> <c oughs> ันจะต้องอยู่ตรงนี้มันจะดับมันก็จะดับตรงนี้มันไม่เกิดมันไม่เกิดมันไม่เกิดตรงนี้ ทางผ่านของมันมันอยู่ตรงนี้โอ้อะไรหลายรูหลายช่องแล้วเกินไปอุดรูไหนมันถึงจะอยู่ห้าสิบรูหกสิบรูอุดรูนี้มันปลดรูนั่นอดรูนั่นอุดรู้ดอุดรูเดียวรูอื่นนี่ปิดหมดอุดรูไหนก็ตามเพราะอะไรเพราะผู้ทํางานหนึ่งเดียวผู้ทํางานหนึ่งเดียวคือใจใจเป็นผู้ทํางานหนึ่งเดียวเราเย็นความสําคัญของใจของเราอ่า อย่าค่อยๆเพ่งให้มีริ์มีเดชมีอภิญญาสิ่งนู้นมันดนบันดาลสิ่งนี้มันดนบรรดาลของจริงไม่ดูซะหน่อยหนึ่งเจอแต่ของปลอมนะซะหน่อยหนึ่งเจอแต่ของปลอมนี่ของจริงพยายามให้มีติดเนื้อติดตัวดูเอาไว้ดูเอาไว้เรามีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือด้วยช่วยเวลาในการทํางานทําการของเรางานการของเราก็จะสะดวกคล่องแคล่วเออ เวลาใครพูดอะไรออกมาเนี่ยมันฟังรู้เรื่องหมดโอ้อันนี้คือหลักหลักเหล่านี้เราฟังเรารู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้หลักเลยครับพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะไรเลยเมื่อเราไม่ไม่มีอะไรเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือตัวเองเราต้องคอยเราต้องคอยตกจากปากอาจารย์อยู่ร่อยไปนมันก็ไม่ไหวดินะมันมันมันไม่ไหวมัมมม grammar, มม น, ม, ม, นมันไม่ทันมันไม่ทันกิเลศอ่ะมันไม่ทันกันแหละแต่พูดถึงว่าพัฒนาพัฒนาน พัฒนามันไปไม่ถึงไหน พ, พัฒนาไปไม่รวดเร็วพัฒนาไปแบบไม่ทันการให้ศึกษามาตรงนี้ในหลักมหาเศรษฐีประทานก็เช่นเดียวกันมหาเศรษฐีประทานมีโน่นนเราให้ยอมาชาติชายเลื่อหนึ่งวันนี้นั่นเลื่อนั้นน่ะเราพาเราพาโมงสวดประจำเลยนะราพาโมงสวดประจําละเอียดอยู่ในนั้นหมดเลยอันนี้อันนี้ท่านแยกมาอีกต่างหาเนี่ยเรามาดูอย่างนี้เราจะได้รู้เลยโอ้ที่ท่านจัดเอาไว้ ที่ท่านจัดเอาไว้เอออันนี้เป็นหลักที่เราเอาไปพิจารณาให้เกิดปัญญาหลักได้หลักไดหลักหนึ่งไปพิจารณาเกิดปัญญาได้ทั้งหมดไม่ยังเป็นจะต้องไปไล่ทั้งหมดนะเวลาเราทาํางาน่ะอย่างได้อย่างหนึ่งทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นอันนี้องทุกครังอนัตตาคืออะไรเป็นอะไรเวลาเราเข้าใจมันจะทะลุปลุกหลงรู้ทั่วถึงกันหมดสิ่งเหล่านี้มีความสาคัญอยู่มองข้ามไม่ได้ออโอ้ยสวดสวดได้อะไรสวดนะสวดสวดได้อะไรสวดได้อะไร บางคนมันอับจนถึงขนาดนั้นน่ะนะมหาปราชแรถนะพูดอะไรสวดได้อะไรสวดมหาปรารถนโลกเขาสวดได้อะไรสวดได้อะไรนะไม่ยอมมองดูมันได้อะไรแบกหามอยู่เต็มตัวไม่ยอมมองดูมันได้อะไรสวดได้อะไรการสวดคือการท่องคือการดูคือการคือการมาทบทวนความรู้ทบทวนความจําทบทวนความเข้าใจ เสรจแล้วมันเป็นการาปลกุปลกจิตปลุกใจของเราใหตื่นกับเนื้อหาของอ่านของทำเนี่ยนี่ร่องรอยของธรรมเนื้อหามันมีอยู่ในนั้นเนื้อหามันมีอยู่ในเนี้ยนี่ธรรมะของท่านเนี่ยยิ่งยุคทุกวันนี้มันไม่ใช่ยุคต่อกระปากต่อกับใจเหมือนยุค ก, ก่อนสมัยก่อนแล้วมันเป็นยุคที่มีลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นมันจึงมีหนังสือเต็มไปหมดหนังสือธรรมะ เราทิ้งสมมุติไม่ได้ดอกเพราะเรายังอยู่ใ น, ในโลกสมมติออกทิ้งสมมุติไม่ได้เวลาก็พูดสมมติอลยเจ้าของไปฟ้าแต่ประมัด <c oughs> อ่าไอ้คนหนึ่งพูดพูดสมมุติไอ้ผู้หนึ่งผู้ไอ้คนหนึ่งพูดสมมุติไอ้คนหนึ่งพูดประมัดมันจะถูกกันยังไงมันตีกันตลอดนั่นแหละพูดยังไงไอ้ถูกกันมันไม่ถูกกันดอกอคนหนึ่งพูดเรื่องสมมติศาสตร์ ไอ้คนนึงพูดเรื่องปรมาตาทสตร์มันจะเข้าวันได้ยังไงมันเดินทางไปคนละคนละทางคนละทิพยนะ์เนี่มม น, น, มมนี่คือสมมุติเนี่ยนี่ความหมายคำพูดคำจาทั้งหมดเหล่านี้คือสมมุติแต่เนื้อหามันมีอยู่ในนั้นเนื้อหามันมีอยู่ในนี้ทั้งหมดอะ่ะที่เขาเรียกว่าอัดถักยังก็แปลหนังสือแปลโดยพยัญชนะแปลตามอักษร แปลโดยอัดแปลโดยอัดแปลโดยพยียนชนะคำว่าอัดก็คือเนื้อหาโดยตรงของมันคือความหมายโดยตรงของมันะเนื้อหาจะจะขึ้นไม่เหมือนกันมันขึ้นลึกตื้นละเอียดหยาบตามภูมิของจิตภูมิที่ละเอียดขึ้นไปอีกท่านก็พูดเนื้อหาลึกลเอียดข้าไปอีกภูมิที่ละเอียดท่านก็พูดเนื้อหาลึกเอียดขึ้นไปอีกเนื้เนื้อหาเป็นสิบสิบชั้นครูบาอาจารย์ที่ท่าน จิตของัท่านละเอียดลึก้าไปทีนี้สมม่ิเราไปเคยเห็นเขาพูดเนื้อหาเฉพาะในหนังสือแล้วนี้เนี่ยพอเราได้ยินคุณบาอาจารย์ท่านพูดท่านไม่ได้เอาชั้นหนึ่งชั้นสมาพูดมาเราท่านเอาชั้นลึกๆเข้าไปอีกพราะเนื้อจิตของท่านละเอียดลึกก็ไปอีกอัทสาระในใจท่านมันเกิดมันเกิดต้นต่อนั่งเดิมมันเดียวกันแต่ว่าอัทธาสาระของมันละเอียดมากกว่ามันอยู่ในใจของเราฟังแต่ว่าพันในพันในพันอย่างคิดดูสิ จิตมันเอียกขนาดไหนจิต ท, ทั้งคนเพาะอัศจรรย์ของจิตทั้งคนเราจะไปเกณฑ์ให้เหมือนกันไม่ได้ดอกเพราะฉันผู้รู้เนี่ยมันเป็นสิ่งอัศจรรย์ฝึกฝนเอาไว้เอาไว้อบรมเอาไว้เสร็จ แ, แล้วก็ตั้งอกตั้งใจทําไปนะบุญวาสนาของท่านก็คือของท่านของเราก็คือของเราท่านทําเอาทําเอาทําเป็นทําเป็นนะมีอัดมีทำเต็มตัวไปหมดเราไม่เห็นมีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยเราร้องไห้ได้ ได้ไหมเราร้องให้เอาหรือขอแบ่งจากท่านอันได้ไหมเราก็ต้องจําเป็นจะต้องตะเกียตกตะกายทําเอาอืสิ่งเหล่านี้มันต้องทําเอามันต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสาพยายามไม่ใช่ก่อนแล้วนินกินแล้วนอนแล้วรู้เรื่องรู้ราวมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเมืม่อกเราขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวนั่นแหละตั้งแต่ปฐม ตั้งแต่อุบาลประถมมัธยมว่าจะได้ด็อกเตอร์ดูสิมันเท่าไหร่สั่งสมอบรมสินระยะเวลากี่วนันกี่เดือนกี่ปีเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงลูกว่าจะเรียนจบดูที่กี่ปีตั้งแต่รู้เรียงสาภาวะสอนนู่นพ่อนู่นแม่ข า, ขาขาตั้งแตู่แว่ออกมานี่ยเรื่องรู้เรียงสาภาวะเนะี่ออเอเอเอห่อหมกกบเขาตั้งแต่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรนะ่ะหม สอนตั้งแต่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรนะสอนอะไรคือสอนจริงๆวันนี้เนี่ยสอนสมมุติอย่างนี้เลยเนั่นแหะตั้งส ะ, ะสมมาเท่าไหรนะ่น่ะมาอนุบาลมาประถมมามัธยมมาอุดมมากี่ด็อกเตอร์จบกี่ด็อกเตอร์กี่ภาษาหภาษาสิบภาษาเพื่ออะไรเพื่อรู้อัตลสาระของสิ่งเหล่า น, นี้ความรู้ที่เราสั่งสมเกี่ยวกับเรื่องภาคปฏิบัตินี้ก็เช่นเดียวกัน ไป ส, สังสมครั้งเดียวสังสมระยะเวลาสัน้นมันก็ได้สั้นสัสังสมระยะเวลายาวมันได้มันก็ได้ยาวอบรมมากก็ได้มากอบรมน้อยก็ได้น้อยผู้ที่ท่านฉลาดผู้ที่ท่านได้อบรมมามากแล้วผู้ที่ท่านภาวนาปุ๊บบรรลุป่ะพรับผู้ทีเจ้าฟังผู้ที่เจ้าเทศปั๊บจบหนึ่งคาถาได้บรรลุธรรมเลยเพราะชาติก่อนจะมาเนี่ยท่านบางมาแล้ว มีอะไรเป็นฝ้าบังตานิดหน่อยอะไร่านี้มีมีคนมาขี่ให้จังก็โรสว่างโรคออกมาแล้วไม่เหมือนเราต้องคูดคุดแล้วคุดอีกกว่ามันจะถึงตาเนี่ยมันจะเกิดความรู้กว่าจะเกิดภูมิรู้งพระพายยะเทสยังไม่จบหนึ่งคาถาน่ยได้มรุกเป็นพระอรหันตะ์อืมมันยังภาษาด้บุตรนเนี่นี่ยเลิศด้ปัญญาได้ไหมภาษาร้บุตรเนี่ยพุทธิจตัตไม่ได้เทศให้ภาษาร้บุตรฟังด้ยทั้งไปเทศให้กับ นายเล็บยาวน่ะทีฆนัขานเป็นหลานภาษารดบุตรน่ะพระโคดมสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดสิ่งที่อะไรสิ่งสิ่งที่ชอบใจข้าพเจ้าชอบใจทั้งหมดสิ่งที่ไม่ชอบใจข้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมด พูดจาทั้งหมเสียบปั๊บเลยเห็นไหมอย่างนั้นไอ้ที่เธอไม่ชอบเนี่ยไอ้ที่เธอไม่ชอบเธอก็ต้องไม่ชอบด้วยสิ <c oughs> ฟังออกไหม <c oughs> ไอ้สิ่งที่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบใหญ่ทั้งหมดอย่างนั้นไอ้ที่ไม่ชอบไอ้ที่เธอไม่ชอบทั้งหมดเธอก็ต้องไม่ชอบด้วยสิเห็นไหม <c oughs> เราฟังดูแล้วเหมือนไม่มีความหมายแต่ความหมายละเอียดมาก ความหมายละเอียดมากเนี่ยภาษารีบุตรฟังเน่ยได้บรรย์เป็นพาณาชย์ก่อนเห็นไหมนี่คือปัญญานี่สอนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งได้ก่อนแล้วสาริบุตนะรเนี่ยซาริบุตรได้ก่อนแล้วนั่งวีให้เนี่ยคุณเจ้าประเทศสอนบานั่งวีให้แต่หูไม่ได้วีเนี่ยหูคอยคอยรับอัรรมเนี่ยอย่างซาริบุตรนะนี่คือพูดแต่สรู้เร็วเลิศด้วยปัญญาคิดดูดิเลิศด้วยปัญญา สมุลาละนะเลิศโดยฤทธิ์ขสาวกชอบเลิศเลิศโดยฤทธิ์เลิศ ด, ด้วยปัญญาเลิศด้วยปัญญาแสดงแสดงธรรมจักรได้เท่าเทียมกับพระพุทธเจา้าคำว่าแสดงธรรมจักรหมายถึงแสดงอริยสัจสี่นั่นแหละเพาธรรมจักรแสด ง, สดงหัวหัวขมวดหัวข้อธรรมะที่ใหญ่โตที่เป็นเป้า ที่เด่นชัดที่สุดคืออริ ย, ยสัจสังสีเนนะ่ทำให้จากคำนั้นสูรนะันที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงในปฐมเทศนาการแรกเลยนะการการเทศทุกกันการเทศทุกเรื่องแม้แต่นี่ก็เหมือนกันนี่นี่ น, น, นี่อวิชชาปัิญานะ่ถ้าท่านไม่มาขมวดจาตตาริอริยสัจจานี้ดุขังอริยสัจจังดุขสมุทิยอริยสัจจัง มีโรทัวร์ทีดุคณิโรทคามีปฏิปทาอายะสัจจังต้องมาขมวดอายะสัจสี่อนุภูปิกาถาสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องอันิสงส์การออกจากกา ม, มเสร็จแล้วต้องไปขมวดด้วยอริยะสัจ ท, ทั้ง4เพราะอายะสัจ4ีนั่นคือหลักไปจักพย า, ยานเรื่องหลักของศัตธรรม บรรทัดหลักของศัจธรรมเราไม่ควรมองสิ่งอื่นควรมองที่อริ ย, ยสัจสีเพราะอริยสัจสีนี่คือยอดของหลักของธรรมที่พระพุทธเจ้าท่รงค้นพบไม่มีใครเคยสอนพระองค์ครูอุทกดาบทอาราดาบทไม่เคยสอนพระองค์แต่ว่าอริยสัจ ท, ทั้งสีก็คือเหตุแค่เหตุกับผลเท่านั้นเองเหตุผลปรากฏชัดเจนโอ้พ้จากทุกๆอย่างมันมาจากเหตุพอเราทราบว่าผลทุกอย่างมันมาจากเหตุเราก็ทราบแล้วว่าโอ้อันนี้เป็นเหตุ ผลอย่างนั้นจะต้องตามมาเมื่อเราสราบเหตุตรงนี้ผลอย่างนั้นจะต้องตามมาโอ้อันนี้เป็นผลท่านสามารถจับจากผลย้อนสาวไปหาเหตุถ้าสามารถจับเหตุย้อนสาวคาดดาวไปถึงผลเนี่ยสรุปลงมาที่อริยสัจทั้งสี่สมมุติไทยเป็นเหตุทุกเป็นผลมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผล แต่เป็นเหตุเพื่อที่จะมาดับทุกขเหตุอันหนึ่งให้เกิดทุกเหตุอันหนึ่งเพื่อมาดับทุกขแต่คําว่าดับทุกในที่หมายความว่าจะต้องไปดับเหตุให้เกิดทุกนั่นแหละคือไปดับสมุทยัยมาดับสมุทยัยพอเราจับอันนี้ขึ้นมาดูปั๊บเหมือนกับเราเห็นแผนงานเลยเออแผนงานนี้เราจะเดินยังไงแผนงานนี้เราจะเดินยังไงเพรัฒนา ก, การที่เราพิจารณากายพิจารณาใจเนี่ย มันเป็นการพิจารณาตัวทุกข์ตัวทุกคือกายตัวทุกก็คือใจใจเป็นกองทุกขกายเป็นกองทุกเป็นก้อนทุกขมันเกิดเพราะอะไรไอ้เข้ามาใจที่เป็นก้อนทุกในที่นี้หมายว่าใจที่ยังไม่ได้ชะยังไม่ได้ล้างใจยังที่ยังปนเปืปป้อนด้วยกิเลสตัณหาอาสวะใจยังไม่ได้ชะใจยังไม่ได้ล้างใจจึงเป็นตัวทุกใจจึงเป็นก้อนทุก กายมันเป็นก้อนทุกข์อยู่แล้วเราดูสิกายเคยอยู่เท่าเดิมไหมเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยการเปลี่ยนไปนั่นแหละถนัดทุกขังไม่อยู่เท่าเดิมเราเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทุกข์ังกับอนิจจังเราดูเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อที่เราจะได้มาพิจารณาในแง่ของการดูให้เกิดให้รู้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันมามันมาตรงนี้และสิ่งเหล่านี้มันมีกํากับอยู่ทุกกองสังขารสังขารทุทกๆสังขาร มันมีสิ่งเหล่านี้กํากับอยู่ทั้งหมดไม่มีสิ่งใดอยู่คงที่แม้หนึ่งเดียวแม้อนูแม้ปรมาณูแม้อนาวสสารอะไรที่แยกละเอียดที่สุดสสารนั้นก็ยังมีกองขังขันหลงตกค้างเหลืออยู่ในนั้นสารอะไรที่แยกสุดที่มาแล้วมันยังมีปันเพื้อนอยู่นั้นแต่มันติบตันด้วยความรู้ของเราเราแยกออกไม่ได้ มันจะละเอียดเท่ากับพระุทธเจ้าหรืระพุทธเจ้าท่านแยกแล้วแต่ธาตุรู้หนึ่งเดียวเนี่ยศาสตรหมดจดอยู่นั้นนะไม่มีอันิีจังทุกครั้งนั่นตจัดเพราะอะไรเพราะมันไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะไปเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นและมันไม่ใช่มันไม่มีสิ่งอื่นเข้าไปรวมเข้าไปปนมันไม่ใช่กองสังขารภาวะเที่ยงภาวะคงที่มันจึงมีพระนิพพานคือเที่ยงพ ร, พระนิพพานคือคงที่นะและหายไปจากโลกไหมไม่หาย พระจิตที่บริสุทธิ์ของพุทธิย่ายังมีอยู่ในโลกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นแหละเห็นเราเพราะฉะนั้นเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมเราอยากเห็นพุทธิย่าวยาเราก็ต้องจะปฏิบัติให้เห็นธรรมให้ได้อ่านได้ทําใครเห็นเราผูนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแท้จริงผู้รู้ที่บริสุทธิ์ผู้นั้นมีอยู่จริงพระองค์อภิจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นั่นแหละมาใช้ผ่าน ขันทั้งหเนี่ยสอนพระพุทธศาสนา4ี่ส้าพระพันษาเอาผู้รู้ที่บริสุทิ์นั่นแหละมาสอนพระสองสาวกพระอริยาสาวกตั้งแต่ท่านบริสุทธิ์มาทั้งกะทำงานตามอายุขของท่านไปพระไารบุตโพระมนะรระพระมหากรสปะพระอัญญาโกนธัญญะเนี่ยท่านก็เอาท่ารู้ท่านก็เอาผู้รู้นั่นแหละมามาทำงานผ่านขันทั้งห้า ยังใช้ขันทั้งหอยู่ขันทั้งห้ศักดิ์ว่าเป็นอขันทั้งหนะเมื่อก่อนนั้นเป็นเหตุให้กิเลสเกิดแต่พอมาถึงตอนนี้เราอาศัยมันกิเลสมันจะเกิดที่ใจแต่มันอาศัยผ่านมาที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมันก็เอาใจไปใช้เอาใจไปหมุนเอาใจไปปนเปกับอะไรต่ออะไรสารพัดพอมาแยกสิ่งเหล่านั้นดับหมดจดหมดเชือ้อไม่มีอะไรที่จะกำเริบเสบสารขึ้นมาอีกแล้ว สิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรที่จะโผล่ขึ้นมาหมดเชื้อหมดเยือ่อหมดยางอ่อนหมดยอดอ่อนหมดยางเหนียวไม่มีอะไรที่จะเป็นยางเหนียวที่จะมาโผล่ขึ้นมาอีกโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะดูจนเหือดแห้งจนตะปะทำแผดเผาจนเหือดแห้งหายหมดเกลี้ยงหายหมดไปเลยไม่มีอะไรตกสร้างเหลืออยู่มันนี่เหมือนคนตายเหลือแต่ซากศพเอาไว้เผาเนี่ย คนตายก็คืออัตภาพร่างกายมันตายนะจิตใจไม่ได้ตายจิตใจออกไปชื่ อ, อื่นแล้วจิตใจเป็นธาตุรู้เป็นธาตุไม่ตายตายก็คือดินน้ำลมไฟท่านแหละมันแตกสลายพวกเราเขาเรียกว่าตายใจไม่ตายนะ่ะใจมันออกไปแล้วไปเกิดตามบุญตามกรรมเองแล้วพระหันอัตภาพร่างกายท่านแตกสลายท่านกันละ ขันต่าหันทักกันละออกกัละละออกไปแล้วเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์แหละมีพวุภูมิไปไหมไม่มีเพราะไม่มีตัวยึดไม่มีอุปาทานไม่มีไม่มีอุปาทา น, าานเพราะอะไรเพราะไม่มีตัณหาแน่มันไม่มีตัวพายุตัณหามันพายยุตเมื่อตัณหาพายยุตอุปาทานก็มีอุปาทานเป็นที่เก็บบาปเก็บกรรมเก็บอะไรต่อะไรยึดหมดหยึดยึดย din, ย din. มีอุปาทานก็ต้องมีภพมันก็ต้องมีชาติมีเราจะต้องไปเกิดในภพจากนั้นจะเกิดเป็นอะไรเนะี่ยเกิดเป็นสัต์ทุกทั้งหลายทั้งปวดตาหมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเจ็บโรคภัยไข้เจ็บเจ็บด้วยเจ็บแค่ได้ป่วยเจ็บด้วยประสบอุบัติเหตุเจ็บเจ็บเพราะว่าหมดวัยแก่ชราข้ามคราและก็แตกสลายและก็ตายไปตายไปแต่ใจไม่ตายใจดวงนี้ไปหาจับจองพบชาติอีก แต่ผู้ที่ทันชะล้างตันหาหมดออกจากหัวใจไปแล้วไม่มีไม่มีตัวพาไปหมดหมดตัวหลักหมดตัวประธานหมดเจ้าของหมดหมดผู้ยึดหมดผู้ถือหมดภายชนะเก็บบาปเก็บกรรมภาชนะทุบทิ้งหมดแล้วอวิชาทุบมันทิ้งไปแล้วอวิชาน่ะคือภายชนะเก็บบาปเก็บกรรมทั้งหมดทุบมันทิ้งไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีภาชนะแล้ว ไม่มีภาชนะเก็บแล้วกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ทําศักตว่าเป็นกิริยากรรมศักศั ก, กว่าเป็นกิริยาของกรรมไม่นําส่งผลไปถึงพบถึงชาติก่อให้เกิดภพก่อให้เกิดชาติไม่เกิดเราพิสูจน์ง่ายๆก็เมือนเนี่ยก็เมืออย่าง ท, ที่เมื่อวานเราก็พูดอยู่เราพิสูจน์เราพิสูจน์ง่ายๆตัณหามันไม่เกิดในในเมื่อมันไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดละ มันไม่เกิดมันไม่เกิดเพราะอะไรตัณหามันแพร่มันแพร ь, ่พริดเด็กของอะไรมันแพ้กําลังของอะไ ร, ร, งไงรมันแพ้่พลังของอะไรตัณหาหนึ่งหัวใจของเรามันแพร่พลังของอะไรพลังของสติของปัญญาที่เราพยายามปลุกตเตะให้ตื่นขึ้นมาเนี่แหละใช้ความภาคความเพี่ยนใช้ความอดความทนใช้การกําหนดจดเจาะถอยกลับไปคัดสีกันอยู่ตรงนี้แหละทํายากก็คือเราทําง่ายก็คือเราทํายากก็คือท่านทําง่ายก็คือท่าน มันคนละหัวใจมันคนมันคนละอย่างมันคนละคนะถ้าพวกเราทํางานเราก็อาจจะทํางานมากกว่ากันอาจจะทํางานมาน้อยกว่ากันระยะเวลาที่เราทำมาก็ไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะอุตสาหพยายามเพร่ะกําหนดจดจ่อต่อเนื่องก็ไม่เท่ากันเพราะอุตสาหพยายามความขยันหมั่นเพียร ความเอาใจใส่ความอดความทนความบึกบืนพิจิตสู้ที่จะเอาให้ได้มันก็ต่างกันมันไม่มีอะไรเท่ากันเหมือนกันมันแตกต่างกันแตกต่างกันด้วยเหตุด้วยปัจจัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันจะฉะนมันจะทำอะไรอะไรเท่ากันเหมือนกันแต่ถ้าหาต่างคนต่างปรับไปพัฒนาไปอะไรไปมันก็ไล่ไล่กันอยู่นั้นแหละไม่ได้ธรรมะกันเดียวกันเวลาเกิดภูมิรู้ขึ้นมาหน่ใจ มันเกิดคนละอุบายเกิดคนละวิธีฟังธรรมะเนื้อเดียวกับเนื้อธรรมะเดียวกันแต่อุบายวิธีในใจไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใบวิธีที่จะทําให้เกิดปัญญาในหัวใจของเราไม่เท่ากันบางคนได้โดยใบายนั้นบางคนได้โดยอุบายนี้นนนย อ, ยนอย่างพระอัญญาโกนทัญยะท่านได้ได้ไ ด, ดยอุบายอะไรท่านบอกโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแม่บ เ, เข้าไปแค่นี้แหละเข้าใจแค่นี้แหละนี่ เข้ า, เาไปเห็นกระแสะของมรกระแสของธรรมนี่แหละตกตกกระแสะตกทางเดินละตกทางเดินแหะกรนะแสนั้นคืออะไรก็คืออนนี้จังทุกขังอนรรัตตาไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองอะ่ะไม่ใช่คืออนนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้อย่างทุกขังอนัตต า, ออาคือภาวะดั้งเดิมของธรรมชาติที่เรามาเกี่ยวข้องที่เรามาผูกพันในเมื่อมันรู้ภาวะดั้งเดิมของรูปธรรมก็ตามของนามธรรมาก็ตามมันมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ ผูรูเขาก็ถอยมาถอยมาถอ ย, ถอยันสุดเมือนก็ปอกออกปอกลอกออกลอกออกจนหลือนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหมดแล้วปอกจนหมดแล้วเหลือหนึ่งเดียวนี่พูดอะไรไม่รู้อ้าวมาถึงตอนนี้นั่งภาวนาไปสักพักหนึ่งอตอนบ้านปลายเราก็จะตอบตอบจดหมายตอบคําถาม เอาตั้งใจนั่งภาวนาไปตอนนี้สองท่มสี่สิบสองท่มสี่สิบเราก็จะนั่งไปสักนั่งไปสักเราอาจจะเหลือเวลาสักเครื่องชั่วโมงตอบปัญห า, าตั้งใจภาวนาตอนนี้ตั้งใจภาวนา